กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อกำเขียนถวายความกรบรหมยังอาจารย์พัฒนาชัยอาจารย์โนพอาจารย์สุรินขอโอกาสคณะสงฆ์เพื่อนสาธมิกเจริญพรยังไม่ชีบาสกแวสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะเ <c oughs> ช้าวันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันศุกรนะ์นที่6นะมีนาคมพุทธศักราช2558ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เรามาร่วมกันทำวัดสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรม นะก็เป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเรานะที่มาอยู่วัดป่าสุกโตถ้าเราสังเกตให้ดีเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูกาลมันเปลี่ยนนะจากหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนนะอากาศก็เปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนี่อากาศร้อนทีเดียวแต่ว่าเราอยู่วัดป่าสุกโตนี้ก็ ช่วงเช้านี่ก็ยังเย็นอยู่เนาะเย็นสบายๆแต่ในช่วงกลางวันก็อากาศค่อนข้างร้อน น, น, นี่ก็เป็นธรรมชาตินะที่มีการแปลเปลี่ยนนะไปตามธรรมชาตินะทีนี้ในส่วนของพวกเรากันเองนะเราก็รู้จักการปรับเปลี่ยนนะปรับตัวปรับกายปรับใจ น่าให้มันสอดคล้องหนาให้มันพอเหมาะพอดีกับอากาศที่ร้อนความร้อนทางร่างกายเนี่ยเรารับรู้ได้ง่ายเนาะมันร้อนนเราก็ปรับเปลี่ยนเรื่องเครื่องนุ่งห่มนาเสื้แต่เดิมหน้าหนาวนาเราก็ห่มเสื้อผ้าให้หนาสักหน่อยนเพื่อความอบอุ่นนตอนนี้อากาศร้อน นะเราก็เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าที่บางลงไปนะเพื่อให้เกิดความเย็นสบายขึ้นนะนั้นใ น, ในส่วนของเสื้อผ้าอาหารการกินก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมจากเดิมเราต้องการอาหารที่ให้ความอบอุ่นให้ความร้อนนะพอหน้าร้อนอากาศอากาศร้อนอาหารที่มันร้อนมากๆนะเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยง นะพวกที่มีไขมันเยอะนะพวกที่มีมีรสเผ็ดจัดนะพวกนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปนะนี่ก็เป็นส่วนที่เรารู้จักการปรับเปลี่ยนในส่วนของร่างกายจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยนะแต่ก่อนเราก็อาจจะปิดให้มิดชิดเพราะอากาศมันหนาวทีนี้อากาศร้อนนะเราก็ปรับเปลี่ยนไป ให้มันโปร่งให้มันโล่งขึ้นนะเราอยู่วัดป่าสุกโตนี่ก็โชคดีเนาะมีต้นไม้ปกคลุมให้ความร่มลื่นนะให้ความเย็นสบายนะอย่างในช่วงเช้าช่วงค่านะช่วงค่าเนี่ยจะร้อนสักนิดนึงแต่ว่าต้นไม้เนี่ยช่วยทําให้อ่าบรรยากาศโดยทั่วไปนะก็ไม่ร้อนจนเกินไปนักนะที่ที่แล้วก็ได้มีโอกาสลงไปกรุงเทพนี่เรารู้สึกเลยอากาศมัน แห้งแล้วก็ร้อนนะที่วัดป่าสุกโตเรานี่ต้นไม้ธรรมชาตินะที่มีอยู่ที่นีนะ่ก็ช่วยทำให้ปรับสมดุลของอากาศนะให้มันร่มรื่นร่มเยน็นะแล้วก็ธรรมชาติมันก็มีส่วนที่ช่วยนะอย่างการที่ใบไม้ร่วงลงมาที่พื้นดินเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ปกคลุมดินที่มันจะแห้งเพราะนั้น พวกเราก็พยายามช่วยกันดูแลนะไม่ต้องไปกวาดมันมากนะโดยเฉพาะใบไม้ที่อยู่บนพื้นดินที่รานหินโค้งเนี่ยนะกวาดเฉพาะทางเดินถ้าเราไปกวาดหมดเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ดินแห้งนะแล้วก็ทำใหอ้อ่ขาดความชุ่มชื้นไปเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยกันดูแลนะแล้วตรงนี้เนี่ย ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งอาหารมีเห็ดขึ้นนะนี่ก็เป็นธรรมชาติที่ที่เราเห็นได้นะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรให้กับพื้นดินนะให้กับต้นไม้นะนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยปกคลุมพื้นดินนะเนอากาศร้อนนะช่วงหน้าร้อนนะเราก็สังเกตได้นะช่วงเย็นเราก็อาบน้ำนะ ลายความร้อนไปนะความร้อนกายเนี่ยเห็นได้ง่ายแก้ได้ง่ายนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอาหารนะเรื่องที่อยู่แล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะก็ปรับตัวเรานะให้มันพอเหมาะพอดีนะกับสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ หน้าที่จะสังเกตก็คือความร้อนในใจความร้อนในใจเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดู ก, กาลเลยนะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ตัวหรือไม่รู้เท่าทันนะความร้อนในใจเนี่ยมันเกิดจากไฟนะไฟคือความความหลงความไม่รูนะ้นี่เป็นตัวตัวการสำคัญเลย นะเมื่อเราไม่รู้เราหลงนะมันก็เกิดความอยากนะเกิดความโลภนะหรือบางทีก็เกิดความโกรธนะเรียกว่าโทสะซึนะ้งไฟสามกองเนี่ยนะเป็นไฟที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันถ้าเราไม่ได้เจริญสตนะิเราไม่ได้เจริญสติอยู่ทุกเมื่อ นะตะกี้นี่ที่เราสาธยายมนนาะสติปัฏฐานสนะี่นก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าผู้ใดมีสติทุกเมื่อนะไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนนะหรือว่าทำอะไรก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้เท่ารู้ทันนาะแล้วก็ได้เห็นได้รู้สึกกับความร้อน นะที่เกิดจากไฟ3มกองคือไฟโลภโกรธหลงนะเป็นไฟ3มกองที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันไฟนี้มันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรอกมันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวขณะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ยไฟนี้คงจะไม่มนะีถ้าใจเราปกติเฉยเฉยมันก็ธรรมดาธรรมดาใจเย็นเย็น ใจไม่ร้อนรุ่มแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราห <c oughs> ลงหนะลงไปกับอารมณ์หลงไปกับความคิดนะคิดอยากได้คิดอิจฉาลิศยานะคิดหวาดระแวงหวาดกลัวนะตรงนี้แหละไฟน้ำก็จะถูกจุดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราไม่มีสตนะิไฟน้ำก็จะลุกโพล่ขึ้นมาทันที ไฟไฟที่ว่านี้ก็เป็นไฟโลภ บ, บ้างไฟโกรธบ้างนะซึ่งไฟทั้งสองกองเนี่ยมันเกิดจากไฟหลงความหลงความโลภเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เผารนจิตใจนะของผู้ที่ไม่รู้เท่ารู้ทันนะทำให้ดิ้นรนนะทำให้ร้อนรนวุ่นวายกระวนกระวายอยากได้นะอยากได้โดยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะ โดยสัญชาติยานของคนเราเนี่ยก็ต้องการที่จะบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศหรือความการยอมรับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะอาหารการกินเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วละเราขาดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเราก็จะกินแค่พอดี ไม่กินเกินไม่กินมากนาจนอิ่มหรือเกิดโครคภัยกล้เจ็บอย่างอาหารการกินปัจจุบันเนี้เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าก็มีพิษมีภัยเยอะนะโดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีน้าตาลมากๆนะอันเนี้ยคือเราติดในรสชาตินะของอาหารการกินน้ําตาลมากๆก็ทำให้เกิดโครคภัยแย้เจ็บได้ง่ายนะการติดรสชาติในอาหาร แล้วนะก็ทำให้เราต้องดิ้นรนขวนขวายในการที่จะกินในการที่จะหามานะแล้วบางทีก็กินเกินนะก็ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บได้แล้ว <c oughs> มันก็สร้างความเคยชินนะเราเคยได้เสพเคยได้กินได้ตอบสนองนะเราก็รู้สึกว่าเออเป็นความสุขอย่างหนึง่งนะแต่ตรงนี้เนี่ยมันสร้างความเคยชินนะที่จะทำให้เราเนี่ยอยากขึ้นไปเรื่อย อยากให้มีรสชาติแปลกๆปก ใ, หใหม่ๆเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้มันก็ส่งผลที่เราจะต้องใช้จ่ายเงินนะแล้วก็วิ่งหาเงินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ถ้าเราขยันหาเงินเองได้นะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราหามาแล้วมันไม่พอใช้มันก็เป็นหนี้เป็นสินนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยเป็นหนี้มากนะเป็นหนี้มากจนน่ากลัว นะสถาบันการเงินต่างๆออกมาที่จะทำอย่างไรนะที่จะชักชวนให้คนเนี่ยลดการใช้จ่ายลงนะซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะความโลภนะที่มันเกิดขึ้นนะตรงนี้เป็นเหตุสำคัญนอกจากความโลภแล้วนะอีกอันนึงก็คือความโกรธความโกรธเนี่ยเป็นไฟที่เราเจนได้ง่ายกว่าความโลภ นะเพราะมันเป็นความร้อนนะที่เกิดขึ้นในใจนะมันเริ่มจากความหงุดหงิดนะความขุนเคืองนะที่เกิดจากได้ไม่ได้อะไรอย่างที่ใจปรารถนานะรือความต้องการของเรานะตรงนี้เนี่ยการที่เราไม่รู้เท่าทัานตรงนี้มันก็ค่อยๆเพิ่มระดับความร้อนขึ้นจากความคุ้นคิดนะจากความหงุดหงิด นะแล้วมันก็จะเพิ่มเป็นความโกรธนะความโกรธในใจนมันล้นในใจไม่พอนะมันก็จะแสดงออกไปทางวาจาด้วยการว่ากล่าวด้วยการด่าทอนะด้วยการใส่ร้ายนะต่างต่างเรียกว่าเป็นการทำร้ายด้วยวาจานะบางคนก็ไม่ใช่แค่วาจาอย่างเดียวนะออกไปทางร่างกายตบตีกันฆ่ากัน เบนะียดเบียนกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกิดขึ้นจากไฟก็คือความโกรธนั่นเองนะซึ่งก็เป็นไฟอีกกองหนึ่งนะที่น่ากลัวนะที่เราควรจะรู้เท่าทันนะซึ่งไฟทั้งสองกองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความหลงนะก็คือความไม่รู้เท่าทันในความคิดปรุงแต่งไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆไม่รู้เท่าทันในความอยาก ต่างๆนะที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่จะมาช่วยทำให้เรารู้เท่าทันนะความโลภความโกรธความหลงนะก็คือความรู้สึกตัวหนะรือเราเรียกมันว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองสิ่งที่เราได้มาอยู่ที่วัดป่าสุกโตได้มาฝึกเจริญสติเนี่ยก็เพื่อที่จะฝึกเรื่องนี้เพื่อที่จะเปิดตาใจนะก็คือความรู้สึกตัว หรือสติสัมปชัญญะเนี่ยให้มันตื่นขึ้นให้มันเปิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความร้อนเห็นไฟเห็นภัยที่เกิดขึ้ น, นาจากกิเลสทั้งสตัวเป็นไฟที่ร้อนรุ่มที่พร้อมที่จะเกิดทุกเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ตัวเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ <c oughs> เป็นโอกาสดีของพวกเราเราที่ได้มาฝึกฝนเรื่องพวกนี้ แล้วก็นำไปใชนะ้ในการที่จะให้รู้เท่าทันนะความร้อนของไฟนะที่เกิดจากความโลภความโกรธและความหลงเมื่อใดก็ตามที่เรารู้เท่ารู้ทันไฟเนี่ยมันก็จะถูกดับแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะมันก็จะพลุกลุกโพล่งขึ้นมาเผนะาไหม้ <c oughs> ความเป็นปกติ ความสงบเย็นของจิตใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> ผู้ใดที่โดนเผาไหม้อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆแลนะก็จะไม่มีความสุขหนะ้าดำคลั่าเครียดนะผิวพรรณก็มลหมองนะชีวิตก็ไม่มีความสุขหรือมีความสุขน้อยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ ผู้ไม่ประมาทเนี่ยนะก็จะไม่ลงละเลงนะไปกับความเพลิดเพลินสนุกสนานในโลกนะเคยมีพุทธศาสนาสุภาษิตอาตมาจำไม่ค่อยแม่นนะพอจะจำคร่าวๆได้นะท่านบอกว่าโลกนี้ลุกเป็นไฟสู่เจ้ามัวร่าเริงอยู่ภายใหญ่นะก็คือโลกในที่นี้ก็หมายถึงในตัวเรานั่นแหละ ในใจเรานะั่นแหละเราหลงละเริงไปกับ <c oughs> ความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะจากการได้เห็นจากการได้ยินจากการได้กลิ่นจากการลิ้มรสหรือจากกายสัมผัสหรือ <c oughs> แม้แต่ใจนึกคิดหลงละเริงไปในความยินดีนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะโดยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ นะเป็นสิ่งที่จะมาเสนอสนองปนเปอือให้เรามีความสุขนะซึ่งสุขอันนั้นก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนะถึงเวลาความสุขนั้นมันก็แปรเปลี่ยนไปนะมันไม่ได้สุขอยู่ตลอดเวลานะพอมันแปรเปลี่ยนไปเราก็เสียดายเราก็หวยหาเราอยากให้มันเกิดขึ้นมาอีกตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้ใจเราร้อนเล่าทำให้ใจเราิุนรนนะ ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> ผู้ที่เจริญสติจึงจะเห็นได้แต่ผู้ที่ไม่ได้เจริญสติก็จะไม่เห็นแล้วก็จะถูกสิ่งเหล่านี้ยมันเผารนจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวจนตายนั่นแหละเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> ในความรู้สึกหรือในความคิดของอตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเป็นไฟที่น่ากลัวนะเป็นไฟที่เรา ควรจะรู้เท่ารู้ทันนะถ้าเรารู้เท่ารู้ทันเนี่ยไฟอันนี้ยมันก็จะถูกดับลงดับลงด้วยอะไรนะด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่นะเราก็จะรู้ว่าความโกรธนะความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆมอดไม้ไปมันจะไม่ลุกโหมขึ้น แต่ถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันเนี่ยไฟนี้มันจะถูกเหมือนกับการเติมเชื้อก็ไปทำให้ร้อนรุ่มขึ้นมาได้นะแล้วก็ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้ไหมตลอดนะถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคนเราไม่ได้โกรธทั้งวันไม่ได้โลภทั้งวันนะแต่ไม่ได้กระตามที่มันมีเชื้อมันคิดปรุงแต่งต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละมันก็จะลุกโพรงอยู่อาจจะลุกโพงเป็นชั่วโมงอาจจะลุกโพง ในขณะที่เราจะเข้านอนนะบางทีก็คุ้นคิดนะเรื่องนั้นเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้น เ, รนนนะเรียกว่านอนไม่เป็นสุขเพระาะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยนะห้องแอร์เย็นสบายมีมุ้งลวดกันยุงแต่ก็ร้อนรุ่มอยู่ในใจคุ้นคิดอยู่ในใจนะเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เองไฟนี้มันสุมอยู่ในอกนะ มันไม่สามารถที่จะดับได้ด้วยน้ําข้างนอกแต่มันจะดับได้นะด้วยน้ําคือสติสัมปชัญญะนะหรือสติปัญญานั่นเองนะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งสําคัญนะที่เราได้มาเจริญสตินะได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะหลังจากที่พระพุทธเจ้า ได้อสอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วก็ได้ไปสอนยศาสกุลกท่านก็ได้เดินทางต่อไปที่ไปพบกับชดินสามพี่น้องชดินสามพี่น้องเนี่ยก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาบูชาก็คือไฟเข็บูชาไฟาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าไฟเนี่ย จะเผากิเลสได้จะเผากิเลสทำให้เขาเป็นพระอาราณได้เพราะนั้นเขาบูชาไฟในครั้งนั้นเนี่ยพุทธองค์ได้เสด็จไปพบกับฉดินที่เป็นพี่ใหญ่นะก็คืออุรุเวกัสปะนะซึ่งไปถึงก็ตอนเย็นแล้วนะก็ไปขอพักนะอุรุเวกัสปะก็ <c oughs> ไม่ค่อยจริงๆไม่ไม่อยากจะต้อนรับไม่อยากจะให้มาพักนะแต่ก็ขาดไม่ได้นะแต่ก็อยากจะเรียกว่าอยากจะลองนะให้พุทธเจ้าเนี่ยนะได้สัมผัสหรือได้เผชิญนะกับอันตรายนะพูดง่ายๆก็คือว่าจะทำร้ายนั่นเองนะก็ให้ไปนอนที่โลงไฟ นะที่เป็นที่บูชาไฟซึ่งในโรงนั้นเนี่ยมีมีมยานาคใหญนะ่ที่มีฤทธิ์มากมีพิษนะพ่นไฟแล้วนะก็เข้าไปพักในนั้นพระโตองก็เข้าไปพักอุล <c oughs> เวกาสปาคิดว่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงไฟนั้นเนี่ยเดี๋ยวตายแน่นะสมณะโลนคนนี้ตายแน่นะเดี๋ยวเจอพญานาคพญานาคพ่นไฟแล้วก็ฆ่าได้อย่างแน่นอน นะก็คิดไว้ในใจอย่างนั้นทนะีนี้พระเ จ, เจ้าก็เข้าไปในพักนะในโรงไฟนั้นนะก็ <c oughs> ในตอนกลางคืนเนี่ยก็มีปัญนาก็ลุกขึ้นมานะแล้วก็เห็นคนแปลกหน้าก็พ่นไฟใส่นะพระเ จ, เจ้าท่านก็ใช้ อ, อิทลิตนะของท่านนะในการที่จะป้องกันตัวเองนะและก็กำราบนะปาัญหาตัวนี้นะ ทนี้อุลเวกัสปะก็คิดว่าตายแน่นะเมื่อคืนเห็นมีไฟมีเสียงพญานาคขู่คำรามแล้วนกะ็คิดว่าสมณะโลนเนี่ยตายเรียบร้อยแล้วนะตื่นเช้าก็ไปดูนะปรากฏว่า <c oughs> ที่โรงไฟนั้นพุทธเจ้าท่านก็ยังนั่งสมาธิอยูนะ่นั่งนิ่งสงบนะแล้วก็มีบาทวางไว้ข้างหน้านะอุลเวกัสปะ ก, ก็เข้าไป นะดูว่าเป็นยังไงบ้างเอา้าสมาณะโล้นี่ยังไม่ตายเลยนั่งสงบนิ่งเลยนะก็เลยพอพระทธเ จ, จ้าท่านทราบว่าอุลุเวกัสปะมาท่านก็ก็ตื่นขึ้นเนาะแล้วก็ทักทายนะอุลุเวกัสปะก็บอกเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนท่านหลับสบายดีไหมพระทธเ จ, จ้าก็บอกว่าสบายดีนะแล้วเมื่อคืนมีอะไรมารบลวนหรือเปล่า นะก็ก็มนะีก็มีพญานาคแลตอนนี้มันอยู่ที่ไหนแล้วล่ะพรนะพุทธเจ้าก็บอกเนี่ยอยู่ในบาทเนี่ยกลายเป็นพญานาคเนี่ยกลายเป็นเหมือนงูตัวเล็กๆ อ, อยู่ในบาทของท่านนะโอ้โหอุลวกคัสปาก็เลยตกใจนะตกใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าสามารถทำได้ขนาดนี้นะก็เรียกว่าตะลึงนะนะไม่เชื่อว่าสมณะโลนีนมีฝีมือมีความสามารถที่จะทำได้ขนาดนี้ นะแล้วก็ได้ <c oughs> แสดงปฏิหารอีกมากมายนะเพื่อที่จะเรียกว่าลดทอนะหรือให้อุลุวเกศปะ เ, เกิดการยอมรับนะสุดท้ายท่านก็ยอมรับนะแล้วก็อขอบวชนะในพุทธศาสนานะแล้วก็ได้เอาบริขารตัวเองเลอยไปนะที่แม่น้ำนะไปเอาน้องคนที่สอง นะก็คือนาทีกษัตริก็เห็นอ้าพี่ชายลอยบริขารมานี่มันเกิดอะไรขึ้นนะก็ชวนพระพวกชวนลูกศิษย์ลูกหาไปหาพี่นะพี่ก็เล่าให้ฟังนะก็เลยบวชกับพระทเจ้าอีกลอยบริขารไปให้น้องนะน้องคนสุดทองนี่ก็คือขยากษัตรนะก็ตกใจนะก็ขึ้นมาก็เห็นทั้งหมดเนี่ยว่ากําลัง <c oughs> บวชกับพระเจ้า ก็เลยขอบวชมีสานุสิทธิ์หรือมีอบริวารอยู่ทั้งหมดก็รวมกันก็ประมาณพันรูปพอดีก็ได้บวชในครั้งนั้น เ, นเมื่อทั้งพั น, พนคนได้บวชเป็นภิกษุแล้วพะพุทธเจ้าก็ได้แสดงสูตรสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าอาทิตตปริยายสูตรซึ่งสูตรนีน้พูดถึงเรื่องไฟ ก็คือจดินทั้งสาม ม, า ม, มีความเชื่อว่าไฟที่จะเผากิเลสได้ที่จะทําให้บริสุทธิ์ได้ก็คือไฟข้างนอกนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไฟข้างนอกนะไฟที่จะเผากิเลสได้นั้นนะคือท่านพูดในลักษณะที่ว่าไฟคือความร้อนเนี่ยนะมันมีไฟที่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธความหลงนะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทัน นะโดยเฉพาะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นของร้อนรูปเสียงกินรสสัมผัสก็เป็นของร้อนนะร้อนเพราะเราไม่รู้เท่ารู้ทัน <c oughs> ร้อนนะทาให้เกิดร้อนเพราะเกิดจากกิเลสนะก็คือความโลภความโกรธความหลงไฟสามกองเนี้ยมันมีอยู่ในใจของเรา ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นการดับไฟนะลบกดหลงนั้นเราจะต้องอาศัยนาะสติปัญญานาะที่เกิดจากการฝึกฝนนะแล้วก็ให้ไม่เห็นมันไฟชนิดนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีสติหรือไม่ได้พัฒนาสติปัญญาเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะเรียกว่าเป็นไฟเย็นก็ได้มันเป็นไฟที่เราไม่รู้ว่ามันร้อน เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มาฝึกฝนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้มาร้อนรนมันไม่ได้มาเผารุนจิตใจเขาเพินแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกว่าไม่สบายขึ้นมาความไม่สบายใจความร้อนลุ่มกลุ้มใจนั่นแหละนั่นแหะเขาถึงจะรู้สึกเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราได้มาฝึกสติเนี่ยเราจะเห็นเริ่มตั้งแต่มันก่อวอดแล้วนะอย่างเช่นกรณีของไฟโทสะเนี่ย มันจะเริ่มก่อวอดเนี่ยมันจะเริ่มงดกิดงดกิดขึ้นมาเราจะเห็นเลยนะมันก็จะไม่เป็นลุกโผงเป็นไฟที่ใหญ่โตถึงกับไปทำร้ายกันด้วยวาจาไปทำร้ายกันด้วยกายนะหรือว่ายกพวกนะตีกันฆ่ากาันสงคารามที่เกิดขึ้นปัจจุบันนีก็เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยไฟโทรสันะผู้ก่อการร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากไฟตรงนี้ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะเราจะต้องอาศัยนะการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะมีสติอยู่ทุกเมื่อนะเราคงไม่ได้จํากัดเพียงแค่มามีสติขณะที่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเท่านั้นแต่ให้มีสติไปในกิจวัตรประจําวันนะจะเป็น จะทําครัวก็ดีจะกวาดใบไม้ก็ดีอาบนา้ําล้างหน้าแปลงฟันขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะการพูดการคุยนะการกินการเคี่ยวการดื่มนะอย่างที่เราได้สาธยายมนกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดนิสัยนิสัยแห่งความรู้สึกตัวตาใจคือความรู้สึกตัวมันจะได้ตื่นขึ้นมันจะได้เห็น ไฟเห็นความร้อนนะ่ะที่เกิดขึ้นภายในจิตภาใ น, ในใจของเราร้อนทางกายเนี่ยมันแก้ไขไม่ยากหรอกนะใส่เสื้อผ้าบางๆให้มันเย็นสบายอาบน้ำให้เย็นสบายแต่ไฟในใจเนี่ยมันเห็นยากนะถ้าเราไม่ได้เจริญสตินะถ้าเราได้ไม่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องวันนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ อยากจะฝากพวกเรา เ, เนาะได้นำไปพิจารณ า, าอาบน้ำชำระกายอาบอะไรชำระใจก็คือสตินั่นเองมีความรู้สึกตัวอาบใจด้วยสติด้วยปัญญ า, าตรงนี้ก็จะดับพิษร้อนถอนพิษใจที่เป็นความร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยสติและปัญญ า, าของตัวเราเอง นะนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะในเช้าวันนีนะ้ในใต้ที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญนะนสติปัญญานะที่มีอยู่แล้วในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงสิ่งที่แสดงหรือปรากฏทั้งที่ เป็นปรากฏการณ์ภายนอกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราประสงคนะ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติการทำนะประกอบคุณงามความดีต่างๆนะที่พวกเราได้กระทำนะด้วยความเพียรด้วยความพยายามความตั้งใจความศรัทธาความอดทนนะจงเป็นพระว่าปัจจัยให้ทุกท่าน ได้สัมผัสกับความเป็นปกตินะที่เป็นความสงบเย็นภายในจิตใจดับความร้อนรุ่มนะที่เกิดจากไฟของโลภโทสะโมหะนะให้หมอดไหม้ไปในเร็ววันนี้โดยทั่วกันเทินเจริญพร